ท่านสาธุชนพุทธมริษัททั้งหลายเดี๋ยววันเดี๋ยวเวลาก็ผ่านพ้นไปได้อย่างน่าใจหายเวลาการนาฬิกาก็หมดไปได้เดี๋ยววินาทีหกวินาทีเป็นหนึ่งนาทีหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงยี่สชั่วโมงก็หนึ่งวันแล้ววันนี้ก็หมดจะไปหนึ่งวันแล้ว เวลาการจะถึง17นาฬิกาเวลาการก็ผ่านพ้นไปได้ไวมากท่านสาธทุชนทั้งหลายโปรดคิดถึงตัวเองบ้างว่าชีวิตของเราเนี่ยมันหมดไปได้ตามเวลานี้ถ้าเราก็ต้องเท่าะเละแก่ชะลาเสื่อมสภาพไปไวปลว่าเสื่อมไวไม่ใช่ความเจริญมันจเจริญลงไป เคลือ่อนไปก็จะหมดสภาพไปเองโดยเฉพาะเราจะเห็นได้บางคนเนี่ยสามวัยท่านจะอยู่ในวัยไหนก็ตามต้องนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าตามวัยตามวันเวลาด้วยวัยที่หนึ่งนี้ตั้งแต่เกิดมาจากท้องของมารดามันกจะเจริญวัยมาจากในท้องแม่เรียกว่าแกออกมาแล้ว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 พอแท้จริง่บญยาเพศมันก็ถูกว่ายี่สิบห้าปีเป็นจากยี่สิบห้าเป็นวัยที่ต้องรับรู้รับเรียนและรับศึกษาสแสวงหาความรูท้ทุกๆุอย่างถ้าใครยังอยู่ในว 25, ันยยี่สิบห้าเบญญาเพศแล้วต้องเพียมหาทุกๆอย่างเรียนให้รู้ดูจำทำจริง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 ขาาเข้ามาในวัยถึง25ปีก็ต้องตั้งหลักฐานในวิชาการให้เสร็จเรียนให้เสร็จถ้าถึงอายุ25แล้วท่านจะไปเรียนอะไรมันก็จะไม่เป็นเรื่องไป็นาวไปเรียนกอดนอ น, นอกโรงเรียนมันก็ได้ก็ได้แค่นั้นอยู่ในวัยที่เรียนแค่นั้นเพราะวัยเวลาก็ผ่านพ้นไปมากแล้ว มัชชิ ม, มาวัยตั้งแต่ยี่ส้าปีถึงห้าสิบระยะท่านยังอยู่ในวัยยี่สิบห้าไปถึงห้าสิบอยู่ในกลางห้าสิบมาถึงยี่สิบห้าต้องเตรียมตั้งหลักฐานมีงานทำให้เป็นหลักแหล่งพรุทธเจ้าสอนชัดเจนมีงานทำหาหลักแหล่งให้แก่จิตใจ ให้มั่นคงปลูกเรียนปลูกบ้านเป็นที่อยู่ของตนภายในห้าสิบปีวัยเรียนวัยรู้วัยที่เป็นครูตัวเองตั้งแต่ปฐ ม, มวัยนั่นเองหนึ่งขวบถึงยี่สิบห้ามชินมาวัยยี่้าไปถึงห้าสิบถ้าห้าสิบแน ว, วเกินจะห้าสิบ เราก็หมดพวริวัยเรียนวัยตั้งหลักฐานก็จะแยกไปเข้าปัดชินมาวัยห้าสิบถึงวันตายห้าสิบไปหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็เคลียมตัวตาย ท, ทุกคนทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่จะต้องอยู่หัวคํำฟ้าท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าประมาทอาจองค์ต่อสงครามชีวิตนี้เลย ชีวิตนีหาความแน่นอนไม่ได้ตั้งแต่ตะเช้ามืดมาโทรมาตลอดรถชนกันม้ามแตกมา้างกระดูกหลังหักมา้างแขนหักกระหม่อมระเบิดหลายลายมาเช้านี้ยังอยู่ในวัยปฐมมาวัยกุมาชิมมาวัยกุล บางคนก็ตายแล้วรถชนตายไปแล้วเมื่อวานท่านครตบอยชาแต่สาธุชนทั้งหลายโปรดพิจารณาความประมาทอย่าประมาทอาการที่เรียกว่าประมาทท่านมันมีหลายข้อด้วยกันจะไม่ขอกล่าวในขณะนี้ท่านคิดถึงตัวเราทุกคนนะ เราประกอบอาชีพการงานหากินก็ต้องเหนื่อยไม่ยากมากเลอเกินเกิดมาเนี่ยยิงเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ยากต้องเหนื่อยลำบากลำเค็นใจมากมายถ้ายิงไปมีครอบครัวแล้วไม่ลูกต้องไม่มีล้านอีก ต้องสร้างผลงานให้มากมายเพิ่มขึ้นผู้ถึงการค้าการขายบางคนก็บ่นกันไปทั่วไปว่าขายไม่ดีเสียสติมันตกวันนั้นตมาไปพูดที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาทิราเมื่อสองพันหร้อยสิบเจ็ดก็หลายปีแล้วเจ็ดแปดปีมันแต่ตั้งใหม่ใหม่ บอกกับคณอาจารย์ว้เดี๋ยวนี้คณอาจารย์นั้นยังอยู่เมา่อสองวันไปพูดบอกว่าจดไว้ทางนั้นสองพันห้าร้อสามเจ็ดจะเกิดกุลยุกจะเกิดคนตายมากจะเกิดยาสารพัดพิษจะไม่เ บ, บียนจิตใจให้คนหลงหลายชัยชอนและเลวลงไปอย่างน่าใจหาย ท่านผู้นั้นเดือนี้เป็นรองอธิการบอกหลวงพ่อพูดไว้ตรงเป็นตัแต่สองพันห้าร้อยสามที่เจ็ดนทั้งหลายถ้าพิจารณาดูนะก็จะเป็นความจริงที่สมมาพูดไว้คนเราจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนร้ายกลายดีไอ้คนดีกลับไปเวลวไรตั้แต่สามที่เจ็ดมาแล้วเกิดกุลยุก <c oughs> ตองติดยาเสพติดกันเป็นจำนวนมากตังแต่สามเจ็ดเลื่อยมากจะเป็นความจริงมีแปดตีสามเจ็ดสาแปดสาเก้าสี่สิบสี่เบ็ดสี่สองส4่สามสี่สี่แปดตีเนี่ ย, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ยก็เป็นความจริงทุกประการไม่มีอะ้ผิดเพี้ยนเลยแตมาพูดไว้จาคนจะตายมากขึ้น เพิ่มขึ้นควรจะเปลี่ยนใจควรจะแตกความสามีที่พี่น้องจาก5าลานฟันแทงกันจะแย่งชุบัติพันธฐานกันที่มาแปดนะีแล้วนะเดี๋ยวปีนี้ต่อไปคนฟังละสี่สิบห้าสี่สกีเจดสีปสีบเก้าจะเกิดอะไรขึ้น มันต้องดูต่อไปในโอกาสข้างห น, น้าอย่าประมาทไม่ได้มันสวดมนต์ไหวพระเจริญกาารรมฐานมรดกของสมเด็จตระสัมมาภิษเจ้าที่มอบหมายให้เรามามรดกธรรมมีสำคัญมากเราเรียกกันมานานแล้วแล้วก็พระที่บวชนั่นก็ได้รับกาารรมฐานทุกองค์แล้วจากพระอุปชา นั่นแหะคือมรดกที่หลวง เ, เจ้าสอนมาเตสาลูมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานาขาลุมาเตสาเบื้องตามปลายผมไปเบื้องบนใต้ผมขึ้นมาตายเท้าขึ้นมาเยืยนหนอห้าครั้งอันนี้อุปชาเป็นคนให้เพือผู้ที่บวชใหม่พระบวชใหม่ถ้าทําตามนะรับรองเจริญรุ่งเรืองรู้ในวัยของตัวเองทั้งสามวัน <c oughs> วัยเรียนวัยรู้ตัแต่หนึ่งขั้วไปเรื่อยไปเนี่ยรู้ไห้ใช่ว่าเสบาแบกหามรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ได้ต้องอยู่ในวัยยี่สิบห้านี้ทะ <c oughs> เลไปแล้วก็ไม่อยากจะรู้อะไรไม่อยากจะเรียนอะไรไม่อยากจะสนใจอะไรแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจน วัยเรียนวัยรู้วัยล้างวัยผลานลูกหลอลกลูกแหลกหลอกลูกต่อกลูลกหลอลกลูกเลื่อนเลือกเชิญแชรไม่มากยุคใหม่สมัยนี้แล้วก็ทะเลกันเสไม่เรียนหนังสือพ่อแม่ว่าบังอาจก้าวร้าวกับพ่อแม่มากมายเลยอะเกินในวัยนี้ทั้งนั้น <c oughs> คนเราก็อยู่ในเกือ้อกูลยุคที่ต้องยุคสมัยเปลี่ยนสมัยมาแต่โบราณโบราณเ้าเชื่อพ่อเชอแม่สมัยสุโขทัยรละจัทา น, นีเกาชอบก่อสร้างคนเรายุคใหม่สมัยนี้ชอบทำลายกันไม่มีการที่จะชอบช่วยเหลือซึ่งกันแลการเมื่อก่อนนี้ก็ชอบช่วยกันปลูกบ้านช่วยกันปลูกติปลูก สร้างสาสร้างโบส์เขาเขาแรงกันได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วคนจางทุกกระเบียดนิ้วเพราะมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจากสุธสโธสุโขทัยและจัทานีผู้มีปัญญาแล้วก็เขาชอบละเอียดอ่อนคนโบราณสมัยสุยสขโขทัยชอบอ่อนน้อมถม่มตนที่จกทักเขาจะเชื่อ แค่เดนี้พ่อแม่ว่ามันี้เชื่อฟังกับเถียงคำไม่ตกคว้าลูกใหม่สมัยนี้หยาบคายมากเป็นลูกหลานที่อยาบคายโตโตเถียงต่อพ่อแม่กับครูบาอาจารย์ก้าวเ้ามากเป็นความจริงสแสดงหรือใช่แล้วเป็นความจริงอยู่ในข้อสอง <c oughs> นสมัยสมัยสุโคไทยเขาละเอียดอ่อนเขาจะทำอะไรทำโดยละเอียดไปลามาไหวออนอน้อมถ่อมตนคนมีคุณธรรมมีสมบัติอยู่ในจุดมุ่งหมายอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีก้าล่ากับพ่อแม่ยงโอกทักตัวหนึ่งเขายัางเชื่อมาสมัยโบราณสมัยสุโคไทยสุโควิเวโกสมัยพระร่วงจาา สมัยพระเจ้าผุ้ลามคำแหง <c oughs> ชอบและเยดอ่อนชอบอ่อนน้อมทำตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่และการหนุ่มสาวสมัยนีย้เขาชอบพูดความจริงซึ่งการเลกรรมเขาจะใส่แหวนนิ้วนางเสมอคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวชอบใส่นิ้วนาง นางแปลว่านางสาวเป็นขุนเป็นนางเป็นหญิงเป็นนางนางเนี่ยปะะแปลว่าละเอียดอ่อนนางแปล ว, ว่อ า, า, ว า, า, าววอ่อนน้อมเรียกว่านางสาวหน้าเขาขาวสวยทุกคนอ่อนน้อมทำตนหน้าเลื่มสายหน้าศรัทธาเจอที่วัดสูงการแห่งวัฒนธรรมชาติละเอียดอ่อน ทำอะไรอ่อนน้อมเดี๋ยวนี้แข่งกระด้างคางแข่งตลอดต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ก้าวลาวต่อพ่อแม่เด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างเงี้ยไม่เสียเป็นนางะนางตัวนีแ้แปลว่านางสาวนมเมื่อก่อนนี่ชายเขาเรียกชายแท้ชายจริงนิ้วนางแปลว่าจึงต่อบุคคลจึงต่อการกระัน ให้จิตใจตรงกันจึงจะแต่งงานกันเช้เรียกว่าแหวนนิ้วนางแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเช่นเดียวกันนางหรือไม่นางค้าก็ไม่รับลูกเป็นสาวหรือเป็นแม่ให ม, ม่เป็นคุณแก่แค่ไหนข้าไม่สาวไม่รับลูกทั้ง <c oughs> เพราขาดคุณธรรมไร้คุณภาพไม่มีหลักธรรมละเอียดอ่อนคนที่มีศีล น, นั้น มีทำเหมือนกับาผู้ปฏิบัติกรรมาฐานเป็นคนละเอียดอ่อนทุกคนอ่อนน้อมทุกคนมีจิตใจเป็นกุศลมีสติทั้งปัญญาะจะอ่อนน้อมถนมตนเคยเถียงพ่อแม่ไม่เถียงแน่นอนสามีภรรยาเคยทะเลาะวิวาดกันจะเลิกทันทีจะพูดจาเพราะพริง้งล้วคนเราพูดจาดีดี เข้าใจง่ายพูดไล่เข้าใจยากสามีภรรยาถ้าจเจริญกรรมฐานได้จะอ่อนน้อมอย่างที่กล่าวมาเป็นคนละเอียดอ่อนทำอะไรก็ละเอียดอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปงอนจิต <c oughs> ใจก็ดีด้วยสวยน่ารักจะแต่งกายเสื้อผ้าก็ดูหน้ า, ด, นาดูหน้าชม รูป่างหน้าตาก็สะอาดทั้งในจิตใจสะอาดหน้าตาก็สะอาดด้วยถ้าจิตใจสปกปรกลามกในใจหน้าจะจะดำคำขุ่นหน้าตาจะเครียดเมียดเมียดเสียดซึ่งกันและกันถ้าใจดีมีปัญญาจเจริญสกรรมาฐานได้หน้าตาจะยิ้มละเอียดอ่อนผ่อนคลายได้แ น, น่นา จะกำลังโกรธหนอเสียใจยหนอหรือไม่พอใจใครมันจะละเอียดอ่อนไปเอง จ, จิตใจจะอ่อนน้อมลงไปจะไม่โกรธจะไม่เกลียดแล้วก็จะไม่อิจฉาจะไม่ปลูกพยาบายฆ่าพยุเวนแต่ท่านผู้ใดจะละเอียดอ่อนตลอดไปในชีวิตพระธรรมฐา <c oughs> คนมาสมัยสุขโขทัยนั้นศาสนาขึ้นจากนครที่ตธิรลาสู่สุขโขทยัยองค์พระลาชาแห่งพระมาาหากษัตริย์ทรงพร ะ, รรพระนวดบวชในศาสนาศึกษาเล่าเรียนหมดและจึงยังได้ทรงลาพนวดออกมาประกาศศาสนาโดยพระองค์เองแล้วก็สร้างสถูปพระเจดีย์เหมือนสีลังกาทั้งหมดในสุขโขทยัย สมัยพันปีมาแล้วท่านลองนับดูเจ็ดร้อยลายสืบถ่ายแล้วมาคงศีอยาอีร้อยสิบปดปีบวกเข้าไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็สองร้อยปีรัตนโกศิลสองร้อยกว่าแล้วสองร้อยมาตั้งแต่พศสองพนร้อยี่สบห้านับไปเป็นพันกว่าเนี้ย สมัยพันกว่าปีแล้วแค่สุโขทัคทยคนเราก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพภาวะของคนยุคใหม่สมัยนี้คนไรยธรรมะขาดสินขาดธรรมจึงบางอาจก้าวล้าววาจาก็แข็งกระด้ากระด้าทางแข็งจะพูดจากระไรก็กระด้าคางแข็งไม่มีการอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ แต่ประทานได้จิตใจไม่อ่อนโยนจิตใจไม่อ่อนไหวจัดจะจิตใจแข็งกระด้างตลอดรายการคนโบราณใส่แหวนห น, นิ้วนิ้วนางเดี๋ยวนี้ใส่จะทุกนิ้วเลยไม่รู้ว่ามีผัวหรื อ, อยังไม่มียหรือยังใส่หมดเลยทั้งนิว้วเท้านิวน้วนิวน้วมือแล้วก่อนนี้ใส่ไม่ดีใส่แหวนอย่างสวยแต่นิสัยไม่รวย เอารวยไม่ได้เราแหวนนั้นมันก็ไม่สำคัญเงินทองไม่สำคัญมันเป็นสัญ่ากรักสำคัญตรงที่จิตใจเราดีหรือไม่ดีจิตใจงามไหมจิตใจงามหรือไม่งามจิตใจอ่อนน้อมไหมในข้อสองของคนสุโขทยที่ปฏิบัติทำได้เป็นคนละเอียดอ่อน <c oughs> ทำอะไรไม่อยากคายมันอย่างนั่งเจริญกรรมฐ า, านกว่าจะละเอียดอ่อนได้เนี่ยต้องทํำซะแย่เลยท่านทั้งหลายเคยเห็นเขา <c oughs> ตามแป้งนุ่งเข็งไหมตำตำแล้วเอาแกลมาล่อนร่อนแล้วต้องมีกาดเห็นไหมมีกาดแล้วก็เอาเอามาตำใหม่เอามาร่อนใหม่ไม่ก็ต้องมีกาดนั่นคือคนหยาว พละเอียดแล้วอ่อนเนี่ยคือหมายความว่าไม่มีกากแล้วจิตใจก็ดีจิตใจอารีเอื้อเฟือ้อจิตใจไม่คดแด่ก็ด้านทางแข็งแน่นอนอยากคายมันจะไม่มีไอ้น้องเท็งเนี่ยเอาไปร่อนเท่าไหร่ก็มีกากขนาดร่อนออกมาแล้วไปร่อนใหม่ก็มีกากเหมือนอย่างนั่งเจริญกรรมาฐานจิตใจมันอยาบคายเหลือเกิน นั่งไปมันก็หยาบเช่นกาหนดนั่งกรรมาฐานมันก็ต้องปวดปวดทุกครั้งแต่ก็หนดได้ไหมบางคนก็กกหกเลยบอกนั่งสามที่ชั่วโมงไม่เคยปวดเลยไม่เมื่อยเลยทุกหกทั้งเรื่องแล้วไปนั่งเอาเองไม่มีครูบาอาจารย์แล้วจะลู้ว่าด่าอะไรเหรอไม่รู้เลยคิดว่า มันั่งแล้วไม่ปวดเมื่อยเดินทางไม่ปวดเมื่อยแล้วก็นั่งอยู่เฉยแสดงว่าไม่ได่าอะไรเลยไม่ได่าอะไรเลยนะสอตบตกไม่มีครูมาสอนปวดเมื่อยไม่มีเวทนาไม่มีแล้วก็ติดไม่ฟุ้งชาจติดอยู่ที่ตลอดรายการโกหกทั้งเรื่องแสดงว่าคนนี้หยาบคายมาก ไม่มีความละเอียดอ่อนแต่ประการใดพูดจาไม่โกงไปโกงมาเป็นต้นคนเราที่ละเอียดอ่อนี่จะพูดจาโกงไปโกงมาพูดจาเนี่ยสามีภรรยาละเอียดอ่อนไหมถ้าจะเจี้ยงกรรมฐานในการต้องคู่ระหว่างสามีภรรยาจะอ่อนน้อมต่อกันจะไม่มีการทะเลาะวิวาดกันแน่นอนสามีภรรยาบางคู่ทะเลาะกันตลอด พูดจาไม่เข้าใจกัน <c oughs> พูดจาร้ายต่อกันถ้าพูดจ้าดีต่อกันเข้าใจกันพูดจาเพาะเพลาะมีเรื่องอะไรก็พูดจากันโดยการกาหนดคิดหนอก่อนจะพูดต้องคิดก่อนจะทำอะไรก็ฉลาดทำฉลาดคิดไหมคนที่มีปัญญาเนี่ยจะฉลาดทำฉลาดคิด ชลาตัวนี้แปลว่าปัญญาเราเจริญกรรมฐานได้ปัญญาไหมปัญญาโปรนรอบรู้ในกองการสันขานรู้เท่าตามเหตุการณ์ของกิเลสนนนาประการที่มันจะเกิดขึ้นจากจิตใจเรากิเลสไม่เจอ้องไปแปลว่าโลกกดหลงอย่าไปแปลขนาดนั้นต้องแปลว่ากิเลสคือความเศร้าใจละหมองใจ ความทุกข์ใจความ อ, อนล้าไม่มีเท่ามองมาจากอะไรจิตใจคุณมัวมาจากอะไรมันจะหาคาตอบออกมาได้คุณมัวมาจากที่ทะเลาะกันคุณมัวมาจากลูกมาเรียนหนังสือมันก็ออกมาเป็นล็อกล็อกของมันเกิดโทส์ ก็เรียกวิกิเลสแต่ที่ตอบให้มันถูกจริงๆแล้วก็เรียกว่าใจเศร้าหมองบางคนก็บอกว่าไปานิพานไปเถียงกันในทีวีเยอะแยะก็ถามว่ากิเลสคืออะไรกิเลสมันไม่ใช่อัตานาตากิเลสมันเป็นการเศร้าหมองใจนะจิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใ จิตใจไม่สบายถ้าเราพูดแบบสมัยใหม่เขาเยกไม่สบายใจเลยนะไม่สบายใจเพราะลูกไม่สบายใจเพราะสามีเจ้าชู้ไม่สบายใจเพราะลู ก, ไ ม, ม ก, ไ, มลกไม่เรียนหนังสือคนมีเงินมีท้องมากมายไก่กองส่วนมากจะเรียนหนงสือไม่จบพ่อแม่ตามใจขระนไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาซื้อรถแล้วซื้อรถอีก พ่อแม่ตามใจเรียนหนงสืไม่จบเมื่ออย่างเงินทองช่วยเราไม่ีวิชาความรู้เลยมันช่วยดีได้ไหมช่วยลูกเปนรับโตได้ไหมช่วยเฉลี่ยในความหมายของชีวิตได้ไหมช่วยเรามีความเฉเี็จไม่ได้เลยช่วยให้เรามีทุกนาเงินทองนีเงินทองช่วยให้ความสะดวกคือรถ สักสามคันซื้อบ้านสักสามหลังก็ได้มีเงินแต่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยความทุกข์เนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าไม่เจริญสกรรมฐานถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่เช่นนี้เนีท่านจะแก้ทุกข์ได้จิตใจจะไม่เศาหมองก็กำหนดเองก็หนดจิตตรงนี้ตีเนี่ยโกรธหนอเสียใจหนอทําให้จริงๆหน่อยใช่ไหม บางคนนี่ไม่ทําเลยเยอใจก็ปล่อยไปแล้วก็ไปนั่งเอาเองอย่างเนี้ยไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอบประลมต้องสอบประลมกันก่อนนั่งจะเจ็ดวันเจ็คืนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสอบประลมทุกคืนว่าเนี่ยนั่งไปได้แค่ไหนสอบไปได้แค่ไหนเหมือนครูโรงเรียนที่ท่านเป็นครูโรงเรียนท่านสอนทุกวันไหม หรือไปนักเรียนมันนั่งหลับตาแล้วก็มาต้องสอนแล้วก็สอบได้มัดเยื้หกเลยอย่างนั้นใช้ได้นีมันต้องสอนทุกวันอะไรนั่งเนี่ยมีครูอะไรมาสอนข้างในบ้างประวัติเมื่อยไหมจิตกังวลอะไรไหมจิตคิดอะไรบ้างจิตฟุง้งซ่านตครั้งต่อหนึ่งชั่วโมง แล้กำหนดพองหนอยุบหนอได้ไหมยืนหนอห้าครั้งได้ไหมยืนหนอไม่ได้เพราะสติกับจิตมันห่างกันมากถ้ายืนหนอห้าครั้งบ่อยๆเลื่นตาดูปลายเท้าหลับตาดูข้างในยืนหนอห้าครั้งถ้าทําได้นะเดินตรงกลมดูเท้าอย่าไปหยับตา อย่ไปมองโน่นแล้วท่านเดินตรงกรมท่านจะดูแต่ทางก็ได้รู้ว่าจิตเนี่ยมีกี่กระแสจิตมีกี่กระแสมันจะมีกระแสอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าขวาย่างหน่อใช่ย่างหน่อเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นคนละอันแล้วเจต่กําหนดขวาย่างหนอไปจะเจต่กำหนดใช้ย่างหนอ มันดวงเดียวก็ได้ปล่าดูตรงนี้เรียกงของสอบอารมณ์ดูที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยเดินหลับตาตะพึชเดินไปตามสบายใจนั่งก็ตามสบายไ ป, ไปพลิกไปพลิกมาตลอดสามหกชั่วโมงมันก็ไม่เมื่อยสีชั่วโมงมันก็ไม่ปวดทําตามใจตามอารมณ์ตามใจตัวเองอาจารย์ทั้งหลายมาไม่ฝืนใจนะ นั่งตามอาัใจตามอะไรตามอารมณ์ของท่านท่านจะไม่ได้เลยเลยนะจะไม่ได้อะไรเล ย, นะเลยตามใจตัวเองต้งคนขออยู่เป็นเดือนขออยู่สิบห้าวันบ้างเอาให้ทำจริงๆนะอย่าตามใจตัวเองถึงเวลาต้องเดินจงกรมถึงเวลาต้องหนักเวลาเขาสวดมนต์แผ่เมตตาเขาแผ่เมตตาแต่กาหนดไปชีเนี่ยมันปวดไหมเนี่ย แล้วตามใจปวดปวดแล้วก็เพลียใชะไหปวดแล้วก็ออกไปเดินเดินแล้วก็มานั่งอี ก, อกน้อยปีฉันกม็มาดาอะไรปวดมันต้องแก้หรือเวทนากําหนดให้ได้กําหนดให้ลึกเข้าไปปวดหนอปวดหนอม า, ายิ่งปวดหนักเรียนเรืก่กว่าสมทรระต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามันปวดทอะไรจึงจะเรียกว่กากรรมฐาน ปวดอะไรบ้างกำหนดนักเข้านักเข้าเกิดขึ้นตามงอยู่ดับไปแม่เวทนาก็แยกออกไปน้ำบัเวทนาแยกออกไปรูปน้มขันห้าเป็นอารมณ์ทันทีขันห้าคือรูปเวทนาทัญญาฉันขันวิญญาณห้าเหลือสองรูปกับนามกายกับจิตกายกับจิตเท่านั้นเรารู้แล้ว พอรู้แล้วก็แยกได้พอแยกได้ไปแล้วมันก็ไม่ปวดจิตก็ไม่ไปกัวงวลโฉงกากับไอเวชนาของเขาจิตก็อยู่ตรงนี้พองหนอยกหนอนี่พองหนอยกหน อ, อ, หน อ, หนอแล้วก็จิตไม่ไปกัวงวลในการที่เราเนะั้นเราศึกษาแล้วเรียนแล้วรู้แล้วเข้าใจว่ามันปวดขนาดนี้ปวดจนน้ำตาล่วง รูกจริงทําจริงอย่างนี้แล้วถทัติก็เกิดขึ้นอยู่ในจิตปัญญาก็เกิดมาว่ามันปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้ารู ป, าปนาเป็นอารมณ์จิตกายกับจิตรูปกับนามรูปก็คงเป็นรูปเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นรูปนะี่รูปทั้งั้นแต่ตัวนามมันคือจิตเรากําหนดเนี่ย จะทำให้มีจิตละเอียดอ่อนใครจะพูดก ล, าล่าวจะ ด, าด่ายังไงจะไม่โกรธคำว่าโกรธหน้าจะใจแล้วหยาบคายนะใจเนี่ยจิตเนี่ยหยาบคายมากใครว่าโกรธเลยถ้าเป็นแม่ค้าหน่อยไม่ได้จริงนะใครมาซื้ออะไรพูดไม่ดีเนาะกูไม่ขาย ห, หมือคนเจงเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะไ อ, จอ้จีเ มึงจะด่าพ่อพอคุณแม่กูก็ไม่เป็นไรกูจะสตางค์มึงให้หลายเนสสตางค์ให้หลายเราพูดในโปรก็ไม่ต้องขายคนไทยกําลังกินานข้าวเขามาซื้อของซื้ออะไรตอนจริงข้าวแล้วจริงข้าวมาคนจีนพุยตะเกียบเลยเจียมมวยเชืเจือดเชืเจือดเชดเลยกันซื้อของเชือดเชือดเชือดเชือดคนไทยมีเชือดกินไหม ไม่มีเรียกกินหรอกคนไทยไม่เอากินข้าโกรธใครมาซื้อของโกรธนี่คนไทยเป็นอย่างนี้คนไทยชอบโกรธคนจีนเ้ามีกรรมฐานตาตาห่วงอะไรเจ้าโห่วงกระแปะโอห่วงรู้จากไหมนี่จังว่าสิงบุรีเนี่ย อ, ยยยอย า, า, ายุตั้งแปสิบก็เสด็จโบมีอเสด็จโบเสื้อมาต้องใา่ ดันมึงกำมึงกำเกงใต้สะดือกระมืท้องโตไม่ออกสัทีท้องโตไอ้สี่ประดานลูกหลานสาวไม่ต้องตื่นถามบอกว่าแปะทําไมขายของเนี่ยลูกสาวหลานสาวเยอะแยะไนี่คบไม่เป็รารนี่ล้มผอไม่เป็หลรนะเราต้องนํามันมันยังไม่ตื่นให้ช่างมันเปิดร้านทำไม นอตอยู่ทรงไหนจะรู้หมดน็อตเล็กน็อตอะไรตะปูคีเล็กตัวใหญ่ลู้หมดมีขนาดใหญ่แย่ยุตั้รงกลางสุดรู้หมดของเราจะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้นี่แกาการนั่งกรรมฐานคุณจีแกสวดจีนเรื่อยๆนี่แหละคือกรรมฐานละเลหมวดอะไรอยู่ตรงไห น, นตะปูอยู่ตรงไหนบิดถูกเนี่ยของเต็ม ล, าล่าเลยเอาเฉลี่ นี่เล่ามาจามาเป็นพยานก็ามาไม่ได้แค่ตายแยบอาสบเสแลยู้หมดอะไรต้งไหนคนเจอเนี่ยไ ม, มีหัวใจของเขาอยู่อันจามมาเลยนะอย่าไปโกรธใคร ด, ด่ า, ดาคุณพ่อคนมาอย่าโกรธเลือดด่าว่าคุณพ่อคนม่ว่าว่าก็แยโกรธหรืว่าจะสตาร์ทหรือให้ดา่าต้องขายของให้ย่า เอาของขายให้ได้อย่าไปโกรธถ้าโกรธตัวไม่ยอมขายของแล้วไหมอย่โกรธอย่าโกรธเลยอย่าเกรียดสดายัางไรช่างอดทนก็นมาถามอยากขาอดทนได้คิดในแหล่งทองทองแล้วมาบางทีอย่าไม่ทันอะไรเขาไม่รู้ตัวเนี่ยไปเกิดเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยไปเกิดเขาเนี่ยแล้วาบาปคนเดียวไหม แล้บาปไหมมันจะไปโลัวใครเขานี่แหละละเอียดอ่อนของคนโบราณสมัยสุฬาไทยนั่งกรรมาฐานละเอียดอ่อนชอบพูดเพราะเพราะถึงหากว่าจะพูดกูมึงเป็นสมัยจุฬาไทยก็คูมึงแบบเพราะเพราะฆ่าแต่ อ้าไปโน้ตข้ามานันเขายังมาใช้อยดีอยู่เรียกว่าข้าพระเจ้าเอามาใช้ทุกวันนี้เรียกว่าข้าพระเจ้ามีพยานตัวข้าแล้วก็พยานเรียกว่ า, า, วาข้าพระเจ้ายังใช้ตามงงสารอยู่เรียกว่าข้าพระเจ้าทั้งนี้นคำพูดสุคุถ่ายละเอียดอ่อนตัวนี้ก็คืคอกรรมฐานชัด คนที่มีกรรมฐ า, านเนี่ยจะลีเอียดอ่อนจะทําอะไรไม่อยากพายจะพูดจากรเพราะจะไม่โกรธง่ายจะจะไม่ผูกใจเจ็บตัวท่านคือได้ถ้าเรากําหนดได้นะญาติโยมทั้งหลายเอ่ยทำเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยกําหนดให้ได้เมื่อไรกําหนดจิตฟ่้งคลายก็กาหดนดนี้ถ้ากำหนดได้แล้วไม่ต้องกำหนดอีกถึงเวลาจะโปรธจะม่สบายใจ ชาติเตือจะออกมาช่วยแทนทีก็เตือจะออกมาช่วยเลยจะมาบอกเลยไม่ควโรโกรธเขาปัญญาบอกตัวปัญญาสําคัญมากไม่ใช่กําหนดตลอดไปถ้ากั้นหลดได้นะโยนหนอห้าทางได้เมื่อไหร่จะรุ้นนิสัยคนที่เรามองเห็นเนี่ยจะลุ้นนิสัยเลยนะเด้งมันเนะี่ยที่สะลงตาทา่าตายท่าที่สะ เดี๋ยวก็จะมาบอกคุณนี้แหละบอกคนเนี่ยคบไม่ได้ปากหวานก้นเปรี้ยวเรือเลาะคนเที่ยวคบไม่ได้ถ้าลองคบดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอันเนี่ยเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ว่ามาโน น, น, าา น, า น, นหนอแนนเนะเด็กลระปรับไปแนนหนอหนาหนอคุณพูดของเขาจะได้อะไรฮะขอเจริญพรที่น้องทุกคนโกรธเนี่ยไม่มีดีเลย ทำให้ใจเศร้าหมองตลอดไปหาความเย็นใจและสุขใจไม่ได้เลย อ, อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอย่าไปเดียดฉันโกรดแล้วเกลียดมันทําให้จิตใจเนี่ยเกิดผูกโกรธทิ้งเขาไว้เป็นการฉาญาณิสยาเขาในอนาคตหาความดีไม่ได้ นั่นมนะหาความดีมาได้ชนีดละใจก็เศาหมองตัวไปไปเจอหน้าการงานที่ไม่พอใจก็มาหยุดหัวใจเราเราก็เป็นคนบาปอยากช้าม า, ากมีคนอยากไม่มีคนละเอียดในใจหาความไละเอียดในชีวิตไม่ได้เลยออกมาอย่างนี้ทาร่าปู่ใจเจ็บเราเคยเปิดกันอัตมาที่นี่เรี้รยจะลงพอไม่ทันทราบอ่ะเรารักใครอย่ารักหมด เกลีใครอย่าเปลียดหมดบางคนที่ไปรักเขาทั้งตัวเลยเนี่ยรักหมดตัวเลย <c oughs> ไม่เด็ดคิดเหนือคิดใต้เลยผิดหวังนพระพูดธบอกว่าอนาคตก็่าจับมันแค่มันตายผิดหวังเขาจะเสียใจโดยทุกตา ย, ยต น, นาผิดหวังเขาไปเกิดเป็นรักคนอื่นเสียแล้วก็ผิดหวังก็เสียใจยโดดตึกตายเลย ข้าตัวตายบะเนี่ยเพราะเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยเรียกว่ากิเลสแท้ๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าดีชั่วประกันได้รักกรรก็รักรักหนอเ ก, นอกลียดหนอโกรธหนอออกมาใชา่จิตใจก็โปร่งโล่งสบายอุสบายใจจิตใจก็ไม่เศราหมองจิตใจก็ผ่องใสย่างนเรียกว่ากิเลสไม่มีในใจ คือความชาหมองไม่มีต้องตอบอย่างนี้ใอ้คนที่มีกิเลสเนี่ยอย่าไปตอบว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสต้องตอบข้อแรกว่าใจไม่ดีใจชาหมองเพราะเราไปโกรธเข้ามาเนี่ยอย่าไปตอบว่าโกรธไม่ได้ต้องตอบว่าใจชาหมองเป็นกิเลสแต่ที้งจะไปตอบตัวโกรธที่หลังว่าเราชาหมองเพราะอะไร ถ้เราไปโกรธฮะโกรธเพื่อนเกิดผัวโกรธเมียเกรธโกรธสามีไปมีชู้โกรธสามีไปมีแฟนใหม่เนีอย่างเนี้ยมันก็มาผูกอยู่ที่ใจก็เรียกว่าใจเศราหมองไม่ผ่องใสาหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่โรคสโลคหาเบียดเบียนตลอดจะตลอดรายารเอาดีไม่ได้แน่นอนชุงมตไม่ผูกใจโกรธ ตรงนี้เขาเรียกว่าละเอียดอ่อนอันนี้เราไม่พอใจใครว่าไม่พอใจไอค้ความโลภความเกลีดความหลงน้ น, นเป็นโดยการทุกคนโลภอยากได้ของเขาถ้าโลภอยากได้ความดีที่จะต้องสร้างย่างนี้ใจไม่ชาวหมองก็จะ เ, เป็นเดลียดได้งไง แต่พระบางองคงก็บอกว่าอยากได้เนี่ยเป็นกิเลสแต่เราอยากได้เนี่ยโดยไม่เดืไปโกงใครทำมาหากินอยากได้ข้าวก็ไปทำานาอยากได้เงินได้ไดทองก็ไปค้าขายไปประกอบอาชีพการงานหากินจะได้เงินได้ทองจะเรียกว่าเป็นกิเลสได้ไหมไม่ได้เราไม่เือไปอยากได้อย่าดีไปโกงเขา อย่างนี้ก็เรกเว่าเป็นกิเลไม่ใช่กิเลสทางกิเลสจะทาให้ใจเศ้าหมองไม่ผองายเช่นวันนี้ไปค้าขายขาดทุนเราก็ไม่สบายใจเราก็กําหนดนะไม่สบายใจหนอพวกขาดทุนการค้ายสติดีปัญญาเกิดไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ขาดทุนลันนี่พรุ่งนี้เราคงได้กาไรญาติเจตีเราก็มีเจตผลเกิดขึ้นจากตัวเราอย่างเนี้ยเราก็สบายใจ มอโอกาสที่จะเสียใจว่าไม่จ่ายค้างก็เอาอารมณ้างานั่นบางคนก็คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องไปนาวเรื่องที่มือคนจะคิดก็ไปคิดมันจะมีประโยชน์จากการใด้เล่าจะหาประโยชน์ในชีวิตไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจของหน้าปฏิบัติและหน้าปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคือมันเป็นอุปาาสตร์มากก็คือเวทนา ไม่เกลียดแล้วนะวยุติชนะเลยคนน้่งเขน่อยปวดน้องปวดนี่เนะี่ยตายให้มันตายสิอดทนสิอดทนไม่เย่ อ, อทนเนี่ยการอ่อนน้อนมทําตนการลราหยุดอ่อนหมดไปข้อที่สองข้อที่สามนั้นคนไทยสมัยโบราณชอบงอกจิตใจชอบงอก พอปลูกต้นหมากลากไม้ให้ล้มเงาปลูกล้มโพล้มทรายไห้ใบบางช้าขาปลูกต้นไม้ใเขียวชุ่มไปพุ่มสวยเรียกว่าชอบงอกและการปฏิบัติธรรมของคนเวลานั้นก็ชอบงอกจ็ด ง, งอกออกมาจ็ด ง, งอกออกมาเนี่ยชอบปลูกต้นหมากลากไม้ปลูกให้เขาใครอยากได้จนไม่ไรเอาไปเลยให้ ถ้าต้นเนืม่วงต้นขหนุนต้น อ, อ, อ, อะไรเอาไปเอาไปปลูกประกอบอาชีพการงานชอบงอกจิตใจงอกถ้าจิตใจงอกเนีย่ยเงินไหลนองทองไหลมาทําใจให้งอกไว้อย่าให้ลบอย่าให้โกรธอย่างเรืงเาพานอนทําใจสบายจิตมันงอกมาไหรจิตเราคอเนี่ยมันงอกออกมา สิ่ทั้งหลายในบ้านงอกหมดต้นหมากลากไม้งอกงาำตามระเบียดเราก็ลดน้ําพื้นดินชอบตูต้นหมากลากมา้โค่นราว ย, ยุกหม่สมัยหมนี่ชอบทําลายชอบตัดต้นหมากลากไม้จะไปต้นไม้แล้วก็โค่มันออกไปแล้วชอบทําลายน้ำใจคนทําลายน้ำใจซึ่งกันเละกันคนที่จุดโหดหมดอะไรจะอยากเนี่ยชอบทําลายน้ำใจ น้ำใจยยดีๆแท้ๆทำนายน้ำใจกันเป็นเพื่องก็ทำนายน้ำใจกันไม่น่าจะทำนายน้ำใจกันก็ทำนายเ น, ยยนี่อย่างเนี้ยเนี่ยขอให้ญาติโยมกรรมฐานให้ทำความประจัยตรงนี้เถอะไม่มีการกันหนดเลย่อไปตามเรื่องตามรายโยมจะได้อะไรเหรอมาทั้งเจ็ดวันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ไเลยเลยทำให้จิตนอกหน่อยลยนะ้ไหม จิตละเอียดอ่อนเนือยังไม่พอต้องใช้งอกด้วยจิตใจและเยียดอ่อนเนี่ยจะไม่ทะเลาะ ก, กันมือเราไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่เดือดฉานขึ่งกาลกรรมด้วยการกำหนดจิตให้มีเสมอต้นเสมอปลายทําอะไรให้เสมอต้นเสมอปลายไม่เกลียดไม่โกรธไม่ฉาลิสยาขึ่งการกรรมแล้วข้อที่สามมันจะบอกว่าทําให้จิตงอกพอ ฝึกใจดีแล้วละเอียดแล้วมันก็จะงอกขึ้นเหมือนอย่เราลดน้ําพรวนดินจนหมากล่ามากมันก็งอกงามเพราะเราลดน้ําที่ลากมาันไปลดลดที่ยอดลดที่ลากมันยังก็ทิ่ใจเราไงที่จิตอนะจิตมันก็งอกงามอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราพาไปลดมันที่ยอดมันออกดอกไปไว เราจะออกไดปยังไงฮะลดผิดที่ทำความดีผิดทางกางลดที่ลาบมันนลนทําใจให้มันดีๆทาใจให้ดีให้ได้ใจจะดีได้แตเพราะอัหะาหนดกรรมฐานต้องต่อสู้กับเวทนาเพราะฉะนั้นนักกรรมาฐานเนี่ยจะแพ้เวทนานะระหว่างแพ้การปวดเมื่อยเพราะปวดเมื่อยเลิกเลยปวดเมื่อยเลิกเลยเลิกเลย แลบอกว่านางด่าสามชมงถึงสมองอัตมาไม่เมชื่อหรอกมันต้องปวดทุกครั้งปวดเนี่ยครูมาสอนเวทนามาสอนเรียกว่าสามถะเป็นการศึกษาเวทนาให้เข้าใจว่าเนี่เข้าใจอย่างนี้มันปวดประวัติยื่ปวดมาจนจน้นตาลุ่งมั น, นตาลุ่องอด ท, ทนนะอดทนนะอดทนไว้ จิกงอกอาะอกได้าอดทนนะก็จะจิดงอกมา้อดทนได้มันตายื่องหลายครั้งมันือก้นเนี่ยเขาจะทานโทษเหมือนเข็มมาแทงปวดรื้อวดแล้วแทบจะตายเลยมือและการจ่างแก้งน้ําให้สะอาดเนี่ยมันต้องบําบัดหนืยมากพอมาบัดน้ำมือมืที่ฉุดแล้วนปวดเนี่ยปวด โก้งโคบทานโทษเพื่อจะหลุดเรือนตายให้มันตายตายให้มันตายกำหนดปวดหนอปวดหนอนั่นตาล่วงหลายเพลเพลเกิดขึ้นกางอยู่ดับไปเราเรียนเนี่ยจะได้รู้เวลาไปป่วยเจะเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่จกักตัวเลยจะพาตัดก็เอาเลยพาตายก็ได้นี่นี่มนเนี่ยอยู่เดี่ยวเดีนเนี่ยเอาเลยพาเลยแล้วจะไม่ปวดเลยในชะ่ไหม ปวดยาวก็ะบอกก็ใครเหือไม่ปวดที่นะนนนนนยังไงงะอนทนอดทนพี่เจ้าสอนให้อดทนต่อสูก้กับกลากรำทนระบาก ท, ทนเจ็บใจทุกอย่างถ้าไม่ทกมากรรมฐานอดทนไม่ได้อดทนไม่ได้แล้วนะใครว่าไม่โกรธเลยอะ แล้กายชาหมองเป็นบาปกรรมถ้าตายตอนนั้นไปในรลกเลยนะตายตอนนั้นไปในโลกเลยในชะ่ไหมอันหนาโลภะไปเป็นเปลตอัานานาโทสะลงในโลกไปเลยอันหนาโมหะไปเป็นสัต์เจริญไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แน่นอนออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากขอฝากไว้ให้การปวด น, นี่ยขอให้กําหนดปวดหนอปวดหนอ ก็ผ่านนี่ประตูนี้สําคัญมากจะมาถามบทแรกเลยเนี่ย้็ต้องผ่านอุปสรรคคือปวดมากแต่การกำหนดโปรดเนี่ยหรือการกัำหนดผิด อ, ออกเนี่ยอย่าไปอันดับสองอันดับหนึ่งต้องปวดก่อนผ่านทุกคนแต่ใครผ่านประตูนี้ไปได้นะยังอื่นได้หมดมันปวดเมื่อยไปตลอดต้องภาวนา ปวดหนอปวดหนอปวดจนมันตาล่วงเนี่ยไม่หายก็ต้องอดทนอดทนปวดหนอปวดหนอปวดหนอจะได้รู้ว่ามันเปืดออะไรนะนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งแล้วก็ไอเลี่งยงใจเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นประกาศระดับที่สองกายาณิตาสนาติประธ า, านกายืนเดินนั่งนอนยืนหนอห้าครั้งเอาให้ได้ อดีต ท, ทำส่วนมากไม่ได้นะพวกเราต้องช่วยดูแลใ ห, ให้เขาทำให้ได้เอาจิตก็สติอยู่ด้วยกันให้ได้ถ้าจิตแคสติอยู่ด้วยกันได้เนีวยจะเกิดปัญญาจริงจะเกิดการแก้ปัญหาได้ถ้าสติก็จิตไม่ได้อยู่ด้วยกันแม้แต่ห้านาทีเราเราก็ยังไม่มีสติกันเลยไหลออกไปนอกรูม อ, อกทางและจะได้ผลประการใด เข้าใจาคานี้ให้ได้ยืนหมอหา้าพลังอาาเอาไวด้ไม่เคยมาเล่นกันหรือมาหาหาความสงบโดยที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่มีความสงบกันเลยนะอะ่าไปคุ ย, ยกันกินน้อยนอยน้อยพูดน้อยทําความเพียให้มากจิตก็สติสตอยู่ด้กันถ้าอยู่ด้วยกันจะสงบทันทีกรรมมาเลยนะจิตก็สติสตอยู่ด้วยกันเมื่อใดจะสงบเมื่อนั้น จะไม่มีฟุ้งซ่านจิตจะคิดไปอังไหนพอะออกไปไม่ได้เวลาเราขนาดยืนหนอห้าครั้งจิตยังคิดไปโน่นคิดไปนี่เลยเห็นไหมยังต้องกันหมดให้มันได้พอได้แล้วก็ลื่นตาขวายาหนอหยุดซ้ายยาหนอหยุดหยุดหาจังหวะแล้วก็ขวายกไปย้ อ, อ, อกไปยาหนอลง ให้ได้จงหวะแล้วก็ดูที่ปลายทะาขณะที่เดินจงกรมไปนั้นเกิดมีเวชนายุดยดอย่างเงี้ยอย่าอย่าไม่ชิดเท้ายดกําหนดเวทนาทุกคอเมื่อยเมื่อยหนอเมื่อยเหนือหลับตาหลับตาอย่าลืมหลับ้าวจิตปากและจิตคอเนี่ยปวดหนอปวดหนอลืมไหมหนอ พอคล้องชอ่วแล้วเราก็ลืมตาดูเ ด, ดิดนเรจงกรมต่อไปพอเดินตรงกรมต่อไปเจ็ดคิดออกไปแล้ขณะที่เดินมันจะคิดอะไรหลายเรื่องว้าแต่พันธา ก, ากันยูดดูดดูดยากำลัดคิดหนอหลักตาคิดหนอคิดหนอที่นิ้นตีเนี้ยนิ้นตียยนยนกลางลิ้นตีนไหมย อ, อยู่ทีงไหน ใครบอกล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะัมหมดตรงนี้คิดหมอคิดหมอมันไปคิดอะไรจังไรเนี่ยให้จิตมันกลับมาพอจิตกลับมาแล้วก็เดินจุงกรมต่อไปลืมตาเดินจุกรมไม่ยากแต่ทํากันไม่ได้ไม่ชอบทํากันเลย เลยมันก็มาลายลายเกิดขึ้นนะเดินไปจะหยุดนะขวาทัายญ้าหนอชิดแล้วบางคนบอกขวากลับหนอใช่กต่ไม่ต้องขวาใช่กลับหนอกลับหนอเลยไม่ต้องไปขวาไปใช่ละเพราะเราตั้งสติอยู่แล้วกลับหนอกลับหนอกลับหนอลงแล้วหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอสคงข้ง พอหยุดหนอสามครั้งลืมตาไม่ใช่หยุดหนอสามครั้งเลยยืนหมอนห้าครั้งกองแถวเลวยืนหมอนห้าครั้งพอยุดหมอนห้าครั้งแล้วลืมตาดูเท้าต่อไปพอเสร็จแล้วเราก็เดินลงมาย่อตัวหนอย่อตัวหนอย่อตัวนั่งหนอนั่งหนอนั่งได้สามอย่างนั่งขาตมาหเพชรนั่งสงชังนั่งชั้งเดียว ส่วนหน้าส า, สาวโนยมจะน้าสองชั้นธรรมดาแต่เราก็น่าสองชั้นกันก็ดีแล้วน้าชั้นเดียวก็ได้หายใจยาวๆพองหนอยุบหนョบางคนเนี่ยพองยังไม่ทันจะหนョยุบเนียยุบยังไม่ทันหนอพองเอาไปเลยก็หายใจสัน้นหายใจให้ยาวใช่ไหายใจให้ยาวยาว ให้ใจเขา้ายาวยาวท้องจะพองให้ใจออกอยายาวท้องจะยุบพองหนอยุดหนอพอดีแต่ให้ใจสันส้นกําหนดไม่ได้จำไม่เลยให้ใจสั้นใจเนี่ย อ, อารมณ์ร้อนแต่ให้ใจายาวยาวกำหนดได้คล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วาทางใจต้องเป็นธรรมคนนั้นใจอาลมเย็นล ง, งทันทีใจจะไม่ร้อน เคยทะเลาะกับใครเคยหาเรื่องจบเลิกเลยใจจะเย็นรู้เหตุการณ์ได้ดีด้วยอขอ่าญาโยมเนี่ยอย่าใจร้อนโดยให้ใจย า, ยาวๆนะคนให้ใจย า, ยาวๆเนี่ยอารมณ์ไม่รอขนาดเึงตัวเหม็นเนี่ยเหม็นไม่ดีด้วยให้ใจสัง้งแล้วอิตสาเาเก่งที่ั้อุตสาคนนน้อนอิตสาหคนนี้ตลอดรายการเกร่งตัวจะเหม็น มันตัวจะเหม็นจะใสระบบยังไงก็ไม่หายเหม็นอันนี้เรื่องจริงเลยหายใจให้ยาวไว้หายใจให้ยาวไว้พองหนอดูหน่ให้ใจยาวกําหนดได้แลจะสติดีขึ้นแล้วศิษย์กับสติมันอยู่ด้วยกันมัมอ น, ย น, นยยยยยอยู่หน่ ห, าาาหน้าครั้งได้ศิษจะบอกเลยว่าเราโคตรอิจฉาครับ ลิษามแม่รือลิษาพี่น้องตัวเองจึงเป็นอย่างนี้ได้ตัวเองใจร้อนจะรู้เองโดยคนอื่นมันจะมาบอกเล่าการจะเรียนจะมาถามต้อตงการจะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เพียง ต, ต้องการจะมาพิสูจน์ตัวเอง ต, อต้องการจะมาพิสูจน์ตัวเองให้เข้าใจตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาบอกเล่าคนอื่นมาบอกเล่านี่เราจะเชื่อไม่ได้เหมือ น, นตัวเราบอกเองเราเห็นเองก็ตาม เห็นเองก็ตาว่าเรารู้ด้วยตัวเองว่าเรานี่อิจฉาแม่มีเรื่องที่เล่ามาแล้วแต่ไปขอธมาราโทษแล้วหาใจยาวขึ้นจากสี่เก็ดเป็นสี่แปดยุบัตรนี้ไปลองที่บดีไปนะยังไม่เจอหยุดเมื่อเดือนที่แล้วมาที่วัดเปลียนตัวหายไปเลยที่เหม็นหายไม่เหม็นเหมือนแต่ก่อนมานี่หายใจยาว ไอ้ฉาแม่เป็นคนเนนะดูขาทุกปดิญาณย่าว่าเดี๋ยวนี้เขายากันแลวจบปัญญาโทรธรรมศาสตร์นี่ห้ใจยาวๆมันจะมีปัญญาเนะบางคนหาใจสั้นเนี่ยเวลาเร็วๆเร็วๆเล็วๆต่อยกันหน้าเลยวโมโหทำโมโหขึ้นมาหน้าแดงหน้าแดงห้ใจให้ใจชั้นต่อยกันโดยไม่มีสติเลยต่อยกันไม่มีสติ ให้ใจยาวสักนิดหนึ่งจะเสียใจว่าเราไม่น่าไปต่อยเขาไม่น่าไปทําเขาไม่น่าจะไปด่าผู้เลยเนี่ยชัดเจนมากเนี่ยก็มาถานอย่างนี้จะไปไม่ไม่ไมรีชาร์ตนิสยาไกรี้จะแผ้ไม่ตาอย่างเดียวขอฝากญาติโยมมาเี่ยวันนี้ก็เวลาเย็นแล้วขอฝากเขาทุกคนนะปวดหนอเราก่อนปวดหนอป ว, วดหนอเนี่ยอย่างแบบสุโไทยเนี่ย มึงชอบงอกอชอบขอร้าชอบ้าตัวเองส้าความดีชอบละเอียดอ่อนต้องการให้จิตละเอียดอย่าให้จิตเศ้าหมองในเมืม่อชอบจิตละเอียดว่าจิตจะงอกทันทีจิตงอกออกไปแล้วเซมีเสือข้ออดทนต่อไป อดทนต่อเหตุการณ์เมื่เรื่อมเดียวก็สามารถจะเอารักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้เมื่เรื่มเลี้ยก็สามารถปลูกบ้านให้ลูกอยู่ได้นี่สมัยจุฬาถานต้องต่อสู้นะต้องอดทนนี่สีประการเนี้ยเป็นหัวใจของคนจุฬาถานและเป็นหัวใจพระกรรมฐานาหัวใจกรรมฐานเลยคนพ่ออ อ, อสร้างตัวเองอาตาหิอาาตัตโนนาโถตอนท่านไปชี้เป็นของตอนไม่จะใบไมายรึ่งคนหนึ่งครับ นี่ชอบ่อยชาติใครจะปลูกบ้านโคลขนงจริงก็ชอบไปช่วยกันเดีย๋ยวนี้ไม่มีเลยใครปลูกบ้านักช่างอะไรไม่อยาทะเลาะแพร่ที่ดินเครื่องเดียวยังต้องทะเลาะอ่นเนะะกองนะท่นที่ดินครื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะมีตัวยังที่ทั่วไปนะมีก็อยันที่ทั่วไปครื่องเดียวไม่ได้ขนอยากขายมากมายคิดว่าจะเอาดินมี้ใส่ลงผีไป เราจะเอาไปโกงบ้านแล้วเหรอนี่โกงที่ดินครับเราจะเอาใส่ลวงผีไปเหรอนี่จะไปด้ไหมไม่ได้เพราะนั้นผู้ใายอยูงกรรมาฐานเนะี่ยสมัยสุโไทยเป็นอย่างนี้ละเอียดอ่อนจึงโจกทัางตัวเขาก็เชื่อแหละขนาดผู้ใหญ่พูดยังไม่มีเชื่อเลยครูบาอารยพูดก็ไม่เชื่อถือนพ่อแม่พูดยังยังเถียงใครไม่ตกว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ คนมีเงินมีทองมากมายกายองไม่ไม่ไมสาเร็จในการศึกษามีเยอะหลายลายใจจะไม่ขอพูดมาขอก่าวมีหลายลายไม่ใช่มีเงินมีทองลูกจะดีทุกคนนะลูกดีทุกคนไหมยากดีมีจนลูกเป็นนักเตะหลายคนลูกเป็นแพทย์เป็นหมอลูกเป็นสดาจางก็เยอะแยะละเหียดอ่อนเนี่ยก็ะจิตก็งอกทาอะไรก็ปลูกต้นหมากลากไม้ให้งงอกงาม ลดน้ำพิล่าอย่าไปลดพยอให้มันออกดอกไปวานอย่าไปเลี้ยงมันลถน้ำพิล่าแล้วก็มันจะไปเลี้ยงยอออกดอกไปลายเหมือนเราเลี้ยงอย่ที่จิตใจ อ, งงอาชุนง้อเข้าใจไหมจิตใจดีมีปัญญาในเมื่อจิตใจดีมีปัญญาแล้วอะไรจะดีต่อมา จิตดีการงานก็ดีขึ้นงานเดินเงินตามจิตดีจิตมีปกติจิตมีปัญญางานดีงานเดินเงินตามสามการเงินก็ดีขึ้นหมายควาการเงินดีขึ้นสี่อะไรอะไรรู้ไหมการสังคมดีขึ้นเพราะเรามีเงินเข้าสังคมได้หมดทุกสังคม ต้อมีใครเกลียดไม่มีใครโ ก, กรธมีเงินมีทองช่วยเขาได้วันนี้มีพระมาขอแล้วก็ให้เงินขอไปช่วยเหลือการมีน้อยให้น้อยมีแหล ก, การเงินดีการสังคมก็ดีขึ้นการเงินไม่ดีเนี่ยการสังคมดีไหมจำมาเลยนี่คือกรรมาฐานจำฮะจิต ด, ดีมีปัญญาเย้ะการงานดีทันที ขยันหมั่นเพียรตลอดเลยตามอดทนตลอดการงานดีขึ้นการงานดีเงินก็ตามมาเลยงานเดินเงินตามพองเงินดีขึ้นแล้วอะไรดีงานสังคมดีไปงานก็มีเงินไปช่วยสังคมเ้าช่วยส่วนรวมเขา ง, งานก็ดืมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้สนการณานี่คือตกรรมราม ขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้จะได้มากได้ผลสมปรารถนาทุกประการพขอหน้าบุญบุญสมทั้งหลายเปิดประทานพรให้ญาติโยมทั้งหลายผูน้นากันผู้เจริญประกรรมาฐานจึงชำระธรรญญาว่าเหลืออยู่บนพระหน้าเข้าพรรษาแล้วอาสาละ บ, บูชาตุวัตน้าเวียนเทียนนะและท่านเปลียนใจเปลี่ยนกิจการงานไว้ ว่าในพังษา 2,544 นี้จะตั้งใจรักษาโบสดสวดมนต์ไว้พระที่บ้านตลอดใจมากสามเดือนแล้วท่านจะเจริญรื่งเรองนะจะไม่เอาเรื่องกับใครใครจะมาหาเรื่องยังไงอย่ า, ไ, ยาไปสนใจว่าใครตลอดพรรษาได้ไหมเลิกเดินสุลายาเมาเลิกยาเสติดเลิกเที่ยว หลังเกิดของเราก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่พ่อแม่ตายแล้วก็ บ, บังสกุลฤทธิ์ถวายไปแล้วก็นนั่งเจริญกรรมาฐานยังเกิดไม่จำไปเลี้ยงราวเลี้ยงเหลาใครอีกต่อไปขอแค่หนึ่งทั้งาท่านจะเจริญเรื่องเลี้ยงผิดปกติจิตใจก็จะดีขึ้นใจก็สบาย อนาค ต, ท, าตาาาา ท, ท่านจะรุ่งเรืองวัฒนารรมสถาพรสมปตถนาทุกประการท้ายนี้ข้ออำนาจบุญมุชนทั้งหลายอำนาจจุลทิยัตนากายประสาทพรใจทุกท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านงจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขภาพะละพลภาพุภานธนาสารสมบัติโน้ตเชื่อเชงประการดาวเส้นความมุ่งมาตตะนานทุกการทุกฤก